เดี๋ยวจะมาเหยียบงูเอาไมา้ยาวๆแล้วเอาโคมไฟห้อยมาถือมายาวๆคนไปเรื่อยฉายไปเรื่อยพอมาถึงเตียงมันก็หายเสียเงียบเลยเสียงห่าห่าไม่ได้ยินอะไรหายเงียบคนจึงกลับไปพอกลับไปสักเดี๋ยวขึ้นมีเสียงขึ้นอีกแล้วมาอีกแล้ว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 แล้วมันขู่ฟอฟออยู่บนหัวเราใกล้ๆฝ่ามือเดียวเท่านั้นมันเหมือนจะกลืนเอาเลยเสียงหอหอแต่มองหาตัวไม่เห็นครั้นเวลาจุดไฟมาหาไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้พอดับไฟสักเดียวขึ้นอีกแล้วเขาเรียกขู้ทอกเราเคยผ่านไปผ่านมาเราเที่ยวกรรมฐาน แต่ไม่เคยขึ้นพักถ้ำที่ว่า